จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาฝ่บุญฝ่กุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่แปดธันวาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติาศาสนกิจที่พระบรมาศาสดา ได้ทรงสอนให้มาให้ปฏิบัติกันเพราะเห็นว่าเวลาของเรามีน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆและจะหมดไปได้ในเวลาที่ไม่นานสำหรับบางท่านและนานหน่อยสำหรับบางท่าน แต่เวลานี้เป็นสิ่งที่ไม่มีการย้อนกลับไปคือเมื่อมาแล้วมันก็ผ่านไปถ้าเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เราก็ได้รับประโยชน์ถ้าเราปล่อยเวลาให้ผ่านไปเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากเวลาและจากการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะมนุษย์นี้เป็นพบเดียวในบรรดาพบชาติทั้งหลายที่จะสามารถตักตวงประโยชน์ได้สูงสุดพบอื่นๆนั้นเป็นที่ไปรับผลของบุญหรือกรรมที่ได้สะสมไว้ในพบของมนุษย์มีพบมนุษย์ทนั้นที่มีทั้งการ ใช้บุญใช้กรรมและมีการสร้างบุญสร้างกรรมอยู่ที่ว่าจะมีความเห็นอย่างไรถ้ามีความเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีก็จะทาบาปทำกรรมมากกว่าทำบุญเพราะทำบาปทำกรรม ทำให้ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาง่ายกว่าทง่ายกว่าการไม่ทำบาปทำกรรมเช่นอยากจะได้สมบัติเข้าของเงินทองถ้าจะมาหาด้วยความสุจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมย่อมยากกว่าการหาด้วยวิธีทุจริตด้วยการไปช่อโกงไปลักขโมย ไปโกหกหลอกลวงดังนั้นโลกเราจึงมีคนที่ทําบาปทํากรรมกันอยู่มาตลอดเพราะมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องนั่นเองคือเห็นว่าตายแล้วสูงตายแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้บาปอีกต่อไปเพราะเมื่อร่างกายตายไปแล้วทุกอย่างก็จบ แต่เขาไม่เห็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตของเราคือจิตใจจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจไปสู่ภพใหม่ชาติใหม่ไปตามบุญตามกรรมที่ได้ทาเอาไว้ถ้าทำบุญก็ได้ไปรับผลของบุญในสวรรค์เป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้าง หรือได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าทำบาปก็ต้องไปใช้กรรมไปเกิดเป็นเดราาัจฉานไปตกนรกเป็นต้นนี่เป็นสิ่งที่คนที่มีความเห็นผิดเห็นผิดเป็นชอบมองไม่เห็นเพราะไม่สามารถมองเห็นใจของตนเองได้ใจนี้เป็นนามธรรมา ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อได้ตาเนื้อเห็นได้เพียงแต่ร่างกายดังนั้นคนที่ไม่มีปัญญาจึงคิดว่าชีวิตก็คือร่างกายนี้เมื่อร่างกายนี้ตายไปชีวิตก็จบไม่มีผลอื่นที่จะต้องไปใช้อีกต่อไปไปรับผลอีกต่อไปแต่ นานๆจะมีคนที่มีปัญญามีตาที่แหลมคมเป็นมีตาที่สามารถมองเห็นนามธรรมาได้เช่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้มาปรากฏในโลกนี้ได้มาตัดสั้ได้เห็นถึงความจริงของชีวิตเรา ที่ประกอบขึ้นด้วยสองส่วนด้วยกันคือกายและใจเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เป็นตัวที่มีสาระสำคัญอย่างไรตัวที่มีสาระสำคัญก็คือใจเพราะการกระทาทั้งหมดนั้นมีใจเป็นผู้เลืเริ่มมีใจเป็นผู้สั่งการแล้วก็มีใจเป็นผู้รับผลของการกระทา ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตคือพบชาติที่จะตามมาต่อไปในปัจจุบั น, นเวลาใจคิดดีก็พูดดีทำดีก็ทำให้เกิดมีความสุขใจปรากฏขึ้นมาเช่นวันนี้ญาติโยมคิดดีพูดดีทำดีคิดว่าจะมาทำบุญก็เลยชวนเพื่อนฝูง ญาสนิทมิตรสหายลูกหลานมาทำบุญซื้อขไปซื้อข้าวซื้อของต่างๆแล้วก็นำเอามาถวายพระเมื่อทำแล้วจิตใจก็มีความสุขมีความอิ่มมีความพอใจนี่เป็นผลที่เกิดจากความคิดของใจ ที่คิดดีแล้วก็สั่งให้ร่างกายพูดดีทาดีเมื่อได้ทำแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาในใจคือมีความสุขใจอิ่มเอิบใจมีความภูมิใจมีความพอใจนี่คือใจเพื่อนผู้รับผลใจเป็นผู้กระทำร่างกายไม่ได้รับผลอะไรจากการกระทำวันนี้ ร่างกายนั้นก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไม่ได้ดีขึ้นหรือเลวลงแต่อย่างใดจากการกระทาของใจและถ้ามีความเห็นไม่ถูกคิดผิดคิดว่าคิดไม่ดีเช่นคิดว่าไปเล่นการพนันไปเที่ยว หรือไปทำบาปทำกรรมเช่นไปยิงนกตกปลาเมื่อคิดอย่างนี้ก็จะพูดไม่ดีก็จะชวนให้คนอื่นไปทำบาปทำกรรมไปเที่ยวไปเล่นการถนัหรือไปเสพสุรายาเมากับตนแล้วก็ไปกระทำที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาในภายหลัง ในขณะที่ได้เที่ยวได้ทำนั้นก็มีความสนุกสนานเฮฮาแต่พอหลังจากนั้นแล้วก็มีความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวมีความอยากมีความต้องการที่จะทำอะไรต่างๆอีกนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่ มีมีความคิดผิดพาไปคิดให้ทำไม่ดีแล้วถ้าไปทำบาป ท, ทำกรรมไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นก็จะเกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจตามมานี่เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนผลที่จะตามมาต่อไปในอนาคตคือพบชาติต่อไปก็คืออบาย ที่อยู่ของผู้ที่ทำบาปทั้งหลายที่ใช้กรรมของผู้ที่ทำบาปทำกรรมทั้งหลายเช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างหรือไปตกนรกนี่คือสิ่งที่เราจะไม่เห็นกันเพราะเราไม่เห็นใจของเราเราคิดว่าใจของเรานี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นความคิด เมื่อคิดแล้วเมื่อร่างกายตายไปแล้วความคิดนี้ก็ตายไปกับร่างกายแต่ความจริงนั้นมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นความจริงมันเป็นดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าใจกับกายนี้เป็นคนละส่วนกันเมื่อร่างกายดับสลายไปแล้วใจก็จะต้องไปเกิดใหม่ดังที่พวกเราได้มาเกิด ในชาตินี้ก็เป็นเพราะว่าใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเราในชาติก่อนนั่นเองชาติก่อนเราตายไปแล้วเราอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ตอนนั้นเราก็ไม่ต้องมีร่างกายส่วนหยาบใจก็รับผลของบุญด้วยการมีความสุขมีความสบายใจจนกว่า บุญนั้นจะหมดใจถึงจะลงมาหาร่างกายมาเกิดเป็นมนุษย์หรือถ้าเราทำบาปแล้วไปตกนรกไปใช้กรรมเราก็จะไม่ต้องมีร่างกายเช่นเดียวกันแต่ใจของเราจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความรุ่มร้อนเผาผลาญจิตใจไปจนกว่ากรรมนั้นจะหมดเมื่อหมดกรรมนั้นแล้ว ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่การมาเกิดของพวกเราจึงมาได้สองสองทางด้วยกันมาจากที่สูงหรือมาจากที่ต่ำคนเราจึงมีความสูงต่ำแตกต่างกันคนที่มาจากที่ต่ำนั้นจิตใจมักจะต่ำไม่สูงเท่ากับคนที่มาจากที่สูงคือต่ำในด้านศีลธรรม สูงในด้านศีลธรรมคนที่มาเกิดมาจากที่สูงเป็นคนที่เคยมีศีลธรรมเคยทำบุญเคยทำความดีไว้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จิตใจก็ยังมีความผูกพันมีความยินดีต่อการทำบุญให้ทานต่อการรักษาศีลต่อการปฏิบัติธรรมต่อการฟังเทศน์ฟังธรรม แต่คนที่มาจากที่ต่ำนั้น <c oughs> เนื่องจากนายดีตเคยทำแต่บาป ก, กรรมเลือยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอบายนุกต่างๆเช่นสุรายาเมาเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกียดคร้านเมื่อมาเกิดเป็นมนรรุษย์ก็จะมีคุณสมบัติหลังนี้ติดตามมาด้วยก็จะชอบ เสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลำคืนคบคนชั่วเป็นเม็ดเราสังเกตดูเราใจรู้ว่าคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้โดยที่ไม่มีใครสั่งสอนพ่อแม่ก็ไม่ได้สั่งสอนมีแต่พ่อแม่คอยห้ามเสียได้ซ้ำไปไม่ให้ดื่มสุราไม่ให้เหที่ยวกำคืนไม่ให้เล่นการพนันไม่ให้เกียรติคร้านแต่ถ้า นิสัยนี้มีอยู่ในจิตใจของผู้ใดต่อให้ได้รับการอบรมสั่งสอนมากน้อยเพียงอยก็ตามก็ยังจะไปทำในสิ่งเหล่า น, นี้อยู่นอกจากมีจิตสำนึกและเห็นโทษของสิ่งเหล่า น, นี้ว่าเป็นการกระทําที่เป็นโทษเป็นการกระทําที่จะพาให้ไปสู่ที่ต่ำไปสู่ความทุกข์ ไปสู่ความเสื่อมเสียก็จะฝืนความรู้สึกนี้เช่นเวลาอยากจะเสพสุรายาเมาก็พยายามต่อสู้กับความอยากอยากไปเที่ยวกลางคืนก็ต่อสู้อยากจะเล่นการพนันก็ต่อสู้เวลามีความเกลียดคร้านก็ต่อสู้ถ้าอย่างนี้ก็พอมีโอกาสที่จะแก้ลิสใสที่ไม่ดี ที่ติดมากับตนได้แล้วเมื่อแก้ได้แล้วก็จะทำแต่สิ่งที่ดีที่งามและเมื่อตายไปก็จะได้ไปที่สูงและเมื่อกลับมาเกิดใหม่ก็จะกลับมาเกิดแบบแบบคนที่มีมีศีลธรรมมีความยินดีในการทำบุญให้ทาน สิ่งเหล่านี้ถ้าเราสังเกตดูจะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องบังคับกันเป็นสิ่งที่ติดมาเป็นนิสัยของของกันและกันต่างคนต่างมีนิสัยต่างกันในทางนี้บางคนก็ชอบเข้าวัดชอบทำบุญชอบรักษาศีลชอบปฏิบัติธรรมฝังเทศฟังธรรมบางคนก็ชอบไปเที่ยวชอบเล่นการพ น, นันชอบเสพสุรายาเมา เพราะว่ามันเป็นนิสัยที่ได้ปลูกฝังมาในอดีตนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีเช่นนิสัยที่ชอบเกี่ยวข้องกับอาวายวุฒทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการเสพชรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกาคืนครอบคนชั่วเป็นนิตรความเกียดคร้าน สงสอนให้เราเห็นโทษว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีเป็นการกระทำที่ไม่ดีมีแต่จะฉุดลากให้เราเข้าสู่กองไฟของความทุกข์และสงสอนให้เราสร้างนิสัยที่ดีคือให้มีจิตใจที่ชอบเสียสละชอบทำบุญให้ทานชอบรักษาสิ่ง ชอบฟังเทศฟังธรรมและชอบปฏิบัติธรรมให้มันทำในสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆในเบื้องต้นถ้ารู้สึกว่ายากก็แสดงว่าเราไม่มีนิ ส, สัยมาในทางนี้ก็อย่าท้อแท้ขอให้เรามองเห็นคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปและเห็นภัยของการกระทำตามนิ ส, สัยเดิมที่ไม่ดีของเรา เราต้องมาชำระมาแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีและสร้างนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นแล้วต่อไปเราจะได้รับผลที่ดีที่จะตามมาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปัจจุบันเวลาที่เราฝืนเาาชนะความรู้สึกที่ไม่ดี ที่จะฉุดลากให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีได้เราจะมีความรู้สึกภูมิใจรู้สึกมีความสุขใจและเราจะมีกำลังใจที่จะทำให้มีมากยิ่งขึ้นไปเพราะเราเห็นคุณค่าของการกระทำความดีเราเข้าใจแล้วว่าทำไมเราต้องทำความดีเมื่อก่อนเราคิดว่าการทำความดีนั้นเพื่อแลกเปลี่ยน ผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างเช่นรับการชมเชยยกย่องรับรางวีรางวัลต่างๆแต่ น, นี่ไม่ใช่เป็นผลของการทําความดีอันนี้อาจจะมีผลบ้างก็ไม่ได้เป็นผลหลักก็เรียกว่าเป็นผลพลอยได้แต่ผลหลักที่เราจะได้จริงๆก็คือความรู้สึกที่ดีภายในใจของเราความสุขใจความอิ่มเอิบใจความพอใจ และความภูมิใจถ้าเราทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจคือเราไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังสิ่งตอบแทนจากผู้อื่นหวังอย่างเดียวก็คือความสุขใจความพอใจที่เป็นผลที่จะตามมาโดยธรรมชาติของการทาของการทำความดีเมื่อเราเห็นผลที่เกิดในจิตในใจแล้ว เราจะรู้ว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าผลตอบแทนจากภายนอกเช่นรางวัลต่างๆหรือความความขอบอกขอบใจคำพูดที่ดีของผู้อื่นมันสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีความรู้สึกดีใจไปชั่วประเดียวประดาวแล้วมันก็ผ่านไปไม่เหมือนกับความรู้สึกที่ดีที่มีอยู่ในจิตใจของเรา ถ้าเราทำเพื่อผลตอบแทนเวลาใครเวลาเขาให้ผลตอบแทนกับเราเราจะดีใจแล้วหลังจากนั้นมันก็จะผ่านไปแต่ความอิ่มใจความสุขใจความพอใจจะไม่มีอยู่ในใจของเราแต่ถ้าเราทำโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนทำไปแล้วจะมีใครให้รางวัลหรือไม่กระตามจะมีใครชมเชยหรือไม่กระตาง แต่เราจะมีความสุขใจความอิ่มใจอยู่ไปกับเราไปเรื่อยๆและทุกครั้งที่เราคิดถึงการกระทาความดีนี้เราก็จะมีความสุขใจภูมิใจเกิดขึ้นอยู่เสมอนี่คือการทำความดีที่แท้จริงถ้าเราเราถ้าเราได้ทำแล้วเห็นผลแล้วต่อไปเราจะเห็นคุณค่าของการทำความดี เราจะไม่ย่อท้อในการทําความดีไม่ว่าเราจะได้ผลตอบแทนจากใครหรือไม่ก็ตามจะมีใครรู้ใครเห็นหรือไม่จะมีใครสงสารเฉื่นชื่นชมยินดีหรือไม่ให้รางวัลหรือไม่จะไม่เป็นเรื่องสําคัญเพราะเรารู้แล้วว่าการทําความดีนี้เป็นการทําเพื่อใจของเราเพราะเมื่อใจของเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอแล้ว ใจของเราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนไปทําในสิ่งที่จะสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราคนที่ไม่มีความสุขใจอิ่มใจนั้นมักจะถูกความหลงหลอกให้ไปหาความสุขภายนอกเช่นความสุขจากอบายลุกต่างๆไปเล่นไปเสพชุรายาณเมาไปเที่ยวกลางคืนไปเล่นการพนันนี่เป็น เป็นความสุขที่คนที่ไม่มีความสุขภายในจิตใจจะต้องคอยแสวงหาอยู่เรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไปทําบาปทากรรมในลาดับต่อไปเมื่อไม่มีปัญญาที่จะไปหาความสุขได้เพราะไม่มีเงินทองพอใช้ก็ต้องไปหาเงินทองที่ไม่ถูกด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ไปโกหกหลอกลวงบ้างไปชอโกองบ้างหรือไปรักทรัพย์ของผู้อื่นบ้างก็จะทำให้เกิดมีความรู้สึกที่ไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจตามมาจิตใจก็จะมีความกังวลมีความหวาดกลัวมีความทุกข์นี่เป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าการทาสร้างความสุขให้กับใจนั้นอยู่ตรงไหนนั่นเอง เพราะไม่เคยได้คบกับคนดีคนที่รู้จริงเห็นจริงเช่นพระพุทธเจ้าไม่ชอบเข้าวัดเมื่อไม่ชอบเข้าวัดก็จะไม่รู้วิธีที่จะทำให้จิตใจของตนมีความสุขมีความอิ่มมีความพอก็เลยต้องไปวนเวียนอยู่ในวงจรอุบาทหาความสุขโดยวิธีที่ไม่ชอบแล้วก็ ต้องไปทําบาปทํากรรมเพราะความสุขแบบนี้ไม่ไม่มีความอิ่มไม่มีความพอให้ได้เที่ยวมากน้อยเพียงไรก็ยังอยากจะเที่ยวอยู่ให้ได้เสพสุรายาเมาวมากน้อยเพียงไรก็ยังอยากจะเสพอยู่อย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดความพอขึ้นมาใน ใ, นใจนั่นเอง ก็ต้องเวีย น, วนเวียนอยู่กับการทำสิ่งเหล่านี้ตายไปก็ต้องไปก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมกลับมาเกิดใหม่ก็จะมีนิสัยอย่างนี้ติดตามมาติดตัวมาอกีกก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีโอกาสได้พบกัลญาญาณมิตรได้คบคนดีเช่นอาจจะไปเกิดในครอบครัวของคนดี ครอบครัวที่ชอบบุญชอบทำบุญทำทานชอบเข้าวัดไม่ชอบเดินสุรายาวเมาไม่ชอบเล่นการพนันไม่ชอบเที่ยวก็จะอาศัยครอบครัวนี้เป็นเป็นผู้คอยอบรมสั่งสอนและถ้าอยู่ในกรอบ ม, มีความเชื่อฟังและปฏิบัติทางมได้ก็จะมีโอกาสหลุดพ้นจากวงจรอุบาตนี้ได้ แต่ถ้าไม่ไม่เชื่อฟังชอบหลบไปทำในสิ่งที่คนในครอบครัวเขาไม่ทำกันก็จะไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากวงจรอุบาทนี้ได้ได้เกิดได้พบคนดีมีคนดคีคอยชวนให้ออกจากวงจรอุบาทใหอ้ออกจากอบายามุขให้ออกจากการทำบาป ท, ทำกรรมทั้งหลายแต่ก็ไม่ยอม ยังอยากจะกลับไปทำสิ่งที่เคยชอบทำมายังอยากจะกลับไปยุ่งเกี่ยวกับอบาบัยามุขยังอยากจะไปทำบาปทำกรรมอยู่ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครจะช่วยได้มันเป็นเรื่องของบุญของกรรมดังนั้นถ้าเรามีครอบครัวและมีลูกเกิดลูกของเรานี้เป็นคนที่ไม่เชื่อฟัง คำสอนที่ดีไม่ชอบมาวัดแต่ชอบไปเที่ยวชอบไปเล่นการพนันชอบไปเสพสุรายาเมาพ่อแม่ก็อย่าไปเสียใจอย่าไปทุกข์กับเขาเพราะมันเป็นบาปเป็นกรรมของเขามันเป็นนิสัยของเขาเป็นสันดานของเขาที่ติดมากับใจของเขาเราก็ทำหน้าที่ของเราดีแล้วคือพยายามดึงเขามาในทางที่ดี แต่ถ้าเขาไม่มาก็อย่าไปเสีย อ, อกเสียใจอย่าไปกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาก็ต้องเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขานังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่ากรรมเป็นเครื่องจําแนกแยกสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปต่างๆกันสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นผู้ พาไปมีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจากทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี่เป็นกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครจะสามารถมามาล้มล้างได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถมาหักล้าง กรรมที่ของของพวกเราทํากันไว้ได้มีแต่พวกเราเท่านั้นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องหักล้างเองคือเรารู้ว่ากรรมไม่ดีเป็นอย่างไรพอเราคิดจะทําในกรรมไม่ดีเราก็ต้องยับยัง้งเราต้องต่อสู้เราต้องไม่ทําเราเท่านั้นที่เป็นผู้หักล้างได้คนอื่นมาหักล้างแทนเราไม่ได้ พระพุทธเจ้าทรง ส, ส, ส, สงัจว่าอัตัยหิอัตโนนาทโถตนเป็นที่พึ่งของตนตถาคตเป็นเพียงแต่ผู้ชี้ทางพระพุทธเจ้าพร ะ, พระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นผู้สอนเป็นชีเป็นผู้ชี้ทางแต่เราต้องเป็นผู้ดำเนินท่านสอนว่าบาปนี้เป็นสิ่งที่ควรละไม่ควรกระทำเราต้องเป็นคนที่ละเองไม่มีใครละแทนเราได้ บุญเป็นสิ่งที่เราควรทำเราต้องทำเองไม่มีใครทำแทนเราได้จะยากเย็นอย่างไรก็ไม่สุดวิสัยเราสามารถทำได้ทุกคนถ้าเราตั้งใจจะทำเท่านั้นเองถ้าเรารู้ว่าบาปมันเป็นเหมือนกับไฟมีใครอยากจะให้ไฟเผาบ้างพอเห็นไฟไหม้ปับ๊บเราก็ต้องรีบดับไฟทันที ชั้นใเวลาที่คิดจะทําบาป ก, ก็ต้องรีบดับทันทีต้องระงับยับยั้งทันทีขอให้เราเห็นบาว่าเป็นเหมือนกับไฟที่จะมาเผาใจของเราให้ตกนรกหมกไหมให้มีแต่ความทุกข์แบบไม่รู้จักจบจากสิ้นและขอให้เราเห็นบุญเหมือนกับเป็นน้ําทิพเป็นน้ําทิพชลมจิตใจให้ความสุขให้ความอิ่มเอิบใจ ให้ความเย็นความสบายใจกับใจของเราขอให้เราทําบุญให้มากมากและละบาปกรรมให้มากมากแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราคือใจของเรนี้จะดีขึ้นไปเรื่อยๆจะมีความสุขความสบายใจมากขึ้นจะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจน้อยลงไปเรื่อยๆตามลำดับจนในที่สุดจะมีแต่ความสุขเต็มเปลี่ยนอยู่ในภายหัวใจ ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เลยนี่คืออนิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการละบาปและทำบุญปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละคือเหตุผลที่พวกเราทั้งหลายมาวัดกันก็เพื่อมาสร้างความสุขให้กับใจของเรามาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไป ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะทำได้ไม่มีทางอื่นจึงขอให้พวกเราจงอย่าปล่อยเวลาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของมนุษย์ของชีวิตของมนุษย์นี้ให้ผ่านไปโดยไม่ได้ทำบุญไม่ได้ละบาป ก, กันขอให้พยายามทำบุญละบาป ก, กันอย่างสม่ำเสมอและทาให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะเวลาของเรานั้นมีน้อยลงไปเรื่อยๆและเมื่อชีวิตนี้หมดไปแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสได้ทำบุญละบาปอีกจนกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายและไม่รู้ว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบกับกัลยาณมิตรอีกหรือไม่ ยึงอย่าปล่อยให้โอกาสที่ดีนี้ผ่านไปเพราะเราสามารถตักตวงประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ได้อย่างสูงสุดในภพนี้และชาตินี้ไม่ต้องรอไปเกิดชาติต่อไปก็ได้ดังพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ได้รับฝังได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในชาตินี้เลย ได้ถึงสี่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ถึงพระนิพพานที่มีแต่ความสุขล้วนๆอยู่ไปจนตลอดอนันตการนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำกันได้ถ้าเรานุ่งมั่นถ้าเราทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จของเราให้ทำแต่ความดีละบาถ้าเราไปไม่ถึงจุดสูงจุด อย่างน้อยเราก็จะได้ไปสู่สุคติได้ไปเกิดในที่ดีไปเกิดบนสวรรค์ไปเกิดบนไแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาทำบุญต่อไปจนได้ไปจนกว่าจะได้ไปถึงจุดสูงสุดที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้ไปถึงกันนี่จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปจึงขอฝากเรื่องทงการ